พระธรรมเทศนาแผ่นที่110ลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่หมิถุนายน2560มีชื่อเรื่องว่าอย่าลืมตัวอย่าลืมสติวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ห้า มิถุนายนพุทธศักราช2560หลวงพ่อออกจากวัดตั้งแต่วันที่22กลับมาวันที่4เมื่อวานเป็นเวลาหลายวันลูกหลานลูกหลานคงจะตรงพ่อไม่อยู่วัดคงจะเงียบสงบลูกหลานคงจะเงียบสงบ ที่ผู้จิภาวนาก็คงได้ภาวนามีเวลาผู้ทีเจาะหนูไม่อยู่แมวไม่อยู่หนูขนองก็คงมีแต่หลวงพ่อมาหลวงพ่อก็ถามพระนะเอ้ยเป็นไงหลวงพ่อไม่อยู่พระตั้งสามสี่สิบองค์น่ะตั้งลุง ม, มวยจำาลองลุงพีดีราชดำเนินบ้างไหม หลวงพ่อถามไม่มีครับอเอาไม่มีก็ดีเรามาภาวนาเราไม่ได้มาเพื่อจะเป็นโรงมัดโรงมวยโรงน้ําลายน้ำลายน้ําลายเอาฝีมือฝีปากฟัดกันออกจากนะกันโรงหมัดโรงมวยไม่มีแล้วก็ดีละเนี่ยนหละอันนี้ก็คือพ่อแม่หนีจากบ้านกลับมาก็ต้องถามว่าเป็นไงเรียบร้อยดีไหม ลูกหลานในครอบครัวของเราถ้าว่าไม่มีอะไรลูกหลานในครอบครัวของเราดีไม่มีปัญหาเออหลวงพ่อได้ยินก็เออเอาพอใจแต่ก็ยังไม่พอใจเพียงแค่นี้นะต้องถามเล็กๆอีกเหมือนกันไอคนที่มารายงานอาจจะรายงานกบไปกอดก็ได้แต่หลวงพ่อทาไปข่าวนี้ก็รู้สึกว่า ดีไหมก็ภาพรวมออกมาในความรู้สึกหรือว่าในสายตาของหลวงพ่อเองและว่าผู้เกี่ยวข้องที่ไปเขารู้สึกว่าเออดีเพราะว่าได้รู้จักมักคุ้นรู้จักไปครั้งที่1เป็นยังไงไปครั้งที่สองเนี่ยเป็นยังไงไปอินโดนีเซียนะประเทศอินโดนีเซียไปครั้งที่3ามคราวนี้นะเป็นยังไงก็รู้สึกว่า ในพี่น้องประชาชนผู้มาเกี่ยวข้องล้นหลามขึ้นเรื่อยๆทวีคูณนะพูดง่ายๆแ่ไม่ใช่บวกธรรมดานะลักษณะคูณเลยเพราะว่าครั้งสุดท้ายวันสุดท้ายวันที่หนึ่งที่จะออกมาไปที่เมดานเป็นเมืองที่สามของอินโดนีเซียคนเขาจัดที่หอไปชมใหญ่ ชะลกตานะที่เหมือนกับหอประชุมศูนย์ศริกิจของเราลักษณะอย่างนั้นแะแต่คนมานั่งตั้งเขาจัดที่นั่งทั้งสามพันห้าเก้าอี้ไม่พอนั่งพกจะยืนก็มีแต่หลวงพอ่อขึ้นไปแสดงธรรมตั้งแต่หกโมงพูดจนถึง สี่ทุ่มครึง่งเริ่มพิธีพิธเขาเกาวกล่าวรายงานด้วยหลุงพ่อก็บพูดสาธิตวิธีการไหว้พระพอไปเห็นปี่น้องชาวอินโดเขาไหว้พระทําคนละทิศทางกันไหวพ้พม่าอย่างหนึ่งไหว้ศรีลังกาอย่างหนึ่งไหว้ที่เบตอย่างหนึ่งไหว้เกาหลีไต้หวันอย่างหนึ่งพอไปเลวลาเขากราบนะ แต่ในเราคงน่าจะเอาแนวแถวปฏิปทาพระธุดง์กรรมฐานหรือว่าพระคณะสงฆ์ไทยที่สอนกันมาว่ากราบด้วยเบญจานับเบญจานคับประดิษฐ์ไปสาธิตให้เขาได้เรียนรู้ศึกษาแต่บางคนก็มีนะมากเหมือนกันที่กราบด้วยเบญจานคับประดิษฐ์นะที่เขามาข่าวนี้ก็เลยไปให้อาจารย์พระครูพักครูจำรัส เจ้าคณะอำเภอคำชีอีอดีตนะเอาท่านไปด้วยหลวงพ่อสามไปด้วยก็เลยเอาท่านอาจารย์พรอครูเนี่ยเป็นพระเอกให้เขาให้เขาได้เห็นแตนเขาเขาไปในมูลท่านเข้ามาแล้วก็แปลแปลเป็นภาษาอินโดงพ่อเป็นคนพูดแเขาก็แปลวิธีกราบพระมำยังไงเขาสอง แขนสองหน้าผากหนึ่งให้จดให้จดพื้น เ, เวล า, าลุกตัวขึ้นมาก็ทำให้ตัวตรงพอสมควรก็ไม่ถึงกระตรงแน่วจากนั้นก็โน้มลงไปเอ า, เอามือจดหน้าผากกราบเาข่าสองแขนสองฝ่ามือนะห่างกันประมาณสัก ให้หัวลงถึงเพื้นได้อันนี้เราบอกกราบด้วยเบญจางคปดิษฐ์สามครั้งแต่ละครั้งก็กราบพุทธโธนึกพุทนึกตำตำลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยพุทธโธธรรมโมสังโฆแต่หลวงพ่อไม่ได้พูดว่าหลวงปูล่ลาท่านแนะบอกลก่าวว่าเวลายกขึ้นน้ำมือปนมที่ศีรษะให้นิพพานัง เรากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อหวังพระนิพพานนะไม่ใช่กราบหลอกๆเด่นๆก็ไม่ใช่กราบปลกๆ ป, ล ก, ปลกธรรมดากราบสามครั้งไม่ได้ลึกไม่ได้ลึกถึงอะไรเลยกราบสามครั้งมันก็ไม่เกิดประโยชน์ต้องกราบถึงลำลึกถึงนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ไปนมมือขึ้นมานิพพานังนี่แหละอันนี้ก็คือนุงพ่อบอกกล่าว สอนวิธีเดินยังกรมวิธีนั่งภาวนาสาธิตคนฟังดีนะคนก็ว่าเขาไม่เคยเห็นมาก่อนคนตั้งสามพันกว่านั่งเงียบเก็บคิดว่าเขาจะผู้จัดงานเขาก็คิดว่ากลัวคนจะลุกหนีพอพระพูดโดยมากมันเป็นลักษณะาการพอพูดไปก็เต้ายอยออกเตายอยออกถอยออกไปเรื่อย แต่คราวนี้เขาบอกว่าไม่ขยับคนไม่ขยับจนหลวงพ่อสีทุ่มครึ่งหลวงพ่อเอเอไม่ไหวแล้ววะหลวงพ่อลงลงเลยลงจากฟอร์ขอเขาเขาแอบแสดงธรรมจากนั้นจังคอยหลวงพ่อออกมาเขากลุกคือตามหลังนเนี่เยเนี่ยก็ดี ที่จาการตาของคนมากนะอันนี้ก็คือที่หลวงพ่อได้ไปคราวนี้คราวนี้ครั้งนี้เป็นเวลาอยู่ที่ประเทศเอินโดนีเซียสิบวันเนี่ยลูกหลานคณะทธา ญ, ญาติโยมไปนสะถานที่ใดเราอย่าลืมตัวสรุปแล้วเราอยู่นสะถานที่ใดเราอย่าลืมตัวอย่าให้ขาดสติให้มีสติสัมปชัญญะ เราอยู่วัดเรานั่งภาวนาเราเดินจงกรมก็ให้มีสติการที่มีสตินี่แหละคือความเพียรอยตลอดเวลาองค์หลวงหลวงตาท่านพูดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพูดหลวงพ่อก็พูดอย่างนั้นอีกเหมือนกันคือการมีสติกับตนเองถึงเราจะเดินจงกรมหยอกยอ ก, ยอกจนขาหักหลวงตามหาบวัววานะเดินจงกรมจนขาหัก ฝ่าเท้าทะลุนะแต่ฝ่าเท้าทะลุมีจริงๆนะลูกหลานนะหลวงพ่อเดินอย่างกลมทั้งคืนเอ่อดูๆแล้วฝ่าเท้าบ้างไปหมดเลยมองเห็นเลือดเลยล่ะเลือดมันไหลอยู่ในฝ่าเท้าเลยแดงเลยเออแต่ไม่โก็แปลกพอถึกพอตกตอนเย็นขึ้นมามันหนาขึ้นมาอีกอย่างเก่าเอ๊ะทําไมมันหนาเร็วถึงขนาดนี้ก็ยังแปลกใจกระทั่งทุกวันนี้นะเรียว่าฝ่าเท้า ฝ่าเท้าทะลุฝ่าเท้าเดินยังกลมฝ่าเท้าทะลุน่ะเป็นไปได้จริงๆริงนะพอเดินเดินเดินก็ไปทั้งคืนฝ่าเท้าบางเลยนะพอเราจะเดินอย่างกลมนานเนี่ยเราจะไปใส่รองเท้าก็ไม่ได้เลยเราต้องถอดรองเท้าถ้าถอดถ้าใส่รองเท้ามันหนักมันหนักมันลาคาญในตีนอีกถอดรองเท้าเดินเดินเดินเดินไปพอถึงสว่างมาไปบินธบัตกลับมา จะมาพักมานอนมาดูดูฝนะ่าเท้าเออฝ่าเท้านี่เห็นคล้ายๆกับว่าไม่ใช่ยังไม่ออกเลือดหรอกแต่มันบางเห็นเห็นแผ่นเลือดนี่แหละอันนี้็คือคการเดินยังกงุมแต่ที่ยังไงเดินจะเดินมากเดินน้อยสรุปแล้วก็ต้องให้มีสติไม่ใช่ว่าเดินทั้งวันทั้งคืน เหมือนกับหมาบ้านะมันเดินไปนะมันไม่มีสติมันเป็นบ้านะหรือเหมือนกับคนบ้านะี่ยเดินจงกรมเดินไปนะทั้งวีทั้งวันนะมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะนักการเดินจงกรมนะให้พวกเราคิดว่าเรามีสติสัมปชัญญะไหมในขณะที่เราเรเราเดินถ้าเราเดินมีสติสัมปชัญญะแปลว่าเราเดินจงกรมจะไม่ทํา หน้านที่แบบเดินจงกรมก็เถอะเดินไปเดินมาแต่แต่มีสติมันก็เหมือนเหมือนภาวนาเหมือนกับเดินจกนนนงกรมเหมือนกันเดินภาวนาถ้านั่งก็อีกเหมือนกันถ้านั่งเมื่อนั่งถึงจะนั่งเหมือนหัวตอ่อไม่ใช่หัวตอนะ่อหัวตอตอไม้นั่งเหมือนหัวต่อไม้เหมือนกับต้นไม้ที่ตัดเขาตัดทิ้งเน่ยเป็นหัว เ, เป็นต่อไม้นึกจะนั่ง น, น, นิ่งขนาดนั้นก็เถอะแต่ใจของเราคิดนู่น เไปที่ไหนก็ไม่รู้ถึงหลูกถึงล้านถึงบงสาคณะญาติญาติมิตรสหายซ้ำสายไปเลยใจไม่อยู่กับตัวอันนั้นก็ไม่ใช่นั่งสมาธินั่งคิดนั่งปลุงนั่งฟุ้งนั่งสานนั่งจะเป็นบ้าเอาฮแต่ร่างกายตัวตัวเองนั่งนิ่งว่าตัวเองนั่งภาวนาอันนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์การนั่งต้องมีสติสัมปชัญญะในการนั่ง ไม่มีสติอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลมหายใจเขาออกหรือที่อยู่ที่หัวใจที่มันเต้นตุบๆหรืออยู่ที่ไหนฮะอันนี้คือวิธีการนั่งสมาธินี่แหละในเมื่อนั่งสมาธีสติอยู่กับตนเองะจะพิจารณาทางวิปัสสนาทางปัญญาพิจารณาได้อีกมีสติเพราะมันมันปีสติเป็นพื้นฐานมาแต่แตเดินแต่นั่งแล้วแต่ เมื่อจิตใจเป็นมีสติพิจารณาก็รู้ใจของตัวเองใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรเนะพราะมันมีสตินะนะั่นเองจากนั้นก็นํามาพิจารณาการกรองไตรายตองร่างกายสังขารการเป็นอยู่ของร่างกายเกิดแก่เจ็บตายผุพังไปสู่ดินน้ำลมไฟร่างกายของเรามีอะไรบ้างการพิจารณาอย่างนี้ก็ เหมือนกับเราฟักลาบให้ละเอียดเพราะอีเอียดเอาปรุงขึ้นมาเออพิจารณาเอกทำอย่างนี้หลายครั้งแต่หลายหนเพราะว่ากิเลสของเราน่มันติดพบติดชาติมาตั้งแต่นู้นตั้งแต่มันเกิดขึ้นมาใหม่มันต้องมีแต่ไส่เดือน เ, นเป็นเป็นตัวบุ้งมันก็มีราคะโทสะโมหะ แต่ราคะเราเห็นอยู่แล้วเพอาะเหตุไรเพราะมันสืบพันธุ์ของมันไม่ให้หายไปนี่นแหละกามร า, าคะแต่โทสะเรามองไม่เห็นมันอาจจะโมโหให้กันอยู่ก็ได้ฮเพราะฉนั้นกิเลสมันขึ้นมาตั้งแต่นู่น่ตั้งแต่อตัวบ่งตัวหนอนตัวไส้เดือนตัวเป่งจากนั้นตัวตะกตตงตะกตแตนขึ้นมาเป็นตัวนกน้อยนกกระจิบนกกระจาบ อต่อมาขยายขึ้นมาเลยเป็นไก่เป็นอไก่ฟ้าไก่ขวาไก่พยาลอดเอจากนั้นขึ้นมาก็เป็นหมูหมากาไก่ขึ้นมาเลยเป็นหมูหมาขึ้นมาเลยช้างม้าวัวควายเป็นมนุษย์ฮอถึงจะเป็นมนุษย์เราก็เถินเลยเราก็เห็นกันละเถิดเลยกิเลสราคะโทสะโมหะจากนั้นก็เป็นเทวดาเทวดาก็ยังไม่หมดเองกิเลสของเทวดาก็ไม่ใช่ย่อยไม่ใช่น้อยเหมือนกัน จนถึงพรมพรมแล้วคล้ายๆว่าระ ง, งับไปก่อนเหมือนกับเราคิดสมาธิระ ง, งับไปก่อนผมพรมนะฮะเหมือนกับหลับนอนหลับถึงจะมีเรื่องเล่าขนาดไหนก็จ ะ, อะนอนหลับก่อนไม่ได้สนใจอหลับไปก่อนอันนี้เปรียกว่าพรมออพอตื่นขึ้นมากันแล้กิเลสเรานั้ก็มานลุ่มมาตุ้มเข้ามาเอ็กฮะเออ พอมันยังถอดถอนยังไม่หมด น, นี่แหละทีนี้เราเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาการกรองไตรตรองเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเรากรองแล้วกรองอีกกันแล้วกันอีกทบทวนแล้วทบทวนอีก อ, อย่างที่ว่านเพราะกิเลสตัวนี้มันมาจากสันดอนสันดานมันตั้งแต่ดึกดบรรนันเราจะไปทำประเดียวประเดาเงอะงะกัน สองครั้งมันไม่ได้นะมันเอาชนะมันไม่ได้ผลนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะการภาวนาเนี่ยนะอการภาวนาเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญอถ้งหลวงพ่อจะไปประเทศไหนคนมากมายขนาดไหนหลวงพ่อเองก็ยังคิดว่าอีกสักวันหนึง่งหลวงพ่อจะต้องตายจะต้องหนีจากโลกอมันได้อะไรทุงคนจะนับถือโธโลกก็เถอะนะได้ละเราได้อะไร ถ้าเรายังมีกิเลสอยู่มันก็ได้กิเลสอย่างเก่าถ้าวันเราหมดกิเลสแล้วไปอยู่ที่ไหนมันก็หมดกิเลสนะ อ, อมันก็เพียงพอนะน่นะสรุปแล้วก็คือให้พวกเราถึงจะไปอยู่นิสถฐานที่ไหไปนิสถฐานที่ไดไ น, นไดอย่าลืมตัวเราให้มองตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าใจของเราในขณะนี้เป็นอย่างไรหมดจดจากกิเลสหรื อ, อยังถ้าหมดจดจากกิเลสใครจะนับถือ มากมายท่วมท้นขนาดไหนยังเป็นผู้มีกิเลสอยู่ถ้าเราหมดกิเลสแล้วนะถึงจะไม่ใครไม่มไม่นับถือเรื่อมใสเราก็หมดกิเลสนะ ไ, ไม่มีราคะโทสะโมหะในจิตใจนั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดถึงจะใครนับถือไม่นับถือเรื่อมใสก็ไม่เรื่อมใสเราไม่ต้องคิดเราดูใจของเราอยู่ตลอดเวลานี่แหละ ขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะพระเนลูกหลานทุกคนนะถึงยังไงอย่าลืมเจ้าของอย่าลืมตัวให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาประพฤติปฏิบัติการกลองตรตองด้วยสมาธิให้มีสติสัมปชัญญะในทุกกิริยาบทได้ดีที่สุดนะถ้ามันเผลอไปก็รู้จักมันเผลอเออมันเผลอมันชัวรนะเออไม่ดีละมันเผล่ละเราก็รู้ว่ามันเผลอนะ แต่เมื่อมันเผลอแล้วเราก็พยายามให้มีสติสัมปชัญญะเข้ามาอีกถ้ามันมีสติสัมปชัญญะได้ตลอดเออนี่ยข้าพเจ้าไม่ขาดทุนช่วงนี้ดีเราก็รู้แก่ใจของเราเราขาดทุนหรือเราได้กำไรถ้าเราสติเราขาดตลอดเวลาแปลว่าเราขาดทุนตลอดถ้าเราสติของเรามีแปลว่าเราได้กาไรกาไรมากหรือกำไร กำไรน้อยวันนี้เราขาดทุนมากหรือขาดทุนน้อยในวันนี้เราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราผู้ปฏิบัติเป็นผู้ติดตามเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะอย่าไปมองคนอื่นคนอื่นกับคนอื่นเราก็มองหมาจะกัดเราเราก็ต้องมองมันเพราะหมามันจะมากัดีด่ทาไงก็ต้องหลบ ต้องหาตะพดต้องหาไม้เลียวกันแต่เราไม่มองคนอื่นเฉยเหมือนกระตาบอดมันก็ไม่ไม่ได้เหมือนกันอนะอยู่ในโลกเนี่ยต้องรู้จักผู้ที่มาเกี่ยวข้องทํำยังไงแต่จะไปมองเขาอยู่ทั้งวีทั้งวันไอ้เมื่อทาไมมึงเป็นหมาทําไมมึงเลียวถึงขนาดนี้ทำไมเขาชั่วขนาดนี้ทำไมชั่วถึงขนาดนี้ทำไมชั่วเอาไปมาตัวเองเลยชั่วตามยิ่งกว่าเขาไปอีกเลยจะเป็นบ้า ก, กว่าเขาไปอีก มันโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เรายังไม่เกิดเราเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นพอเห็นขึ้นมาแนละ้วเราจะไปปั ก, กจิตปักใจกับเรื่องเลวๆของคนอื่นความชั่วของคนอื่นหรือความไม่ดีของคนอื่นหรือความดีของคนอื่น เ, เราก็ได้เพียงแค่นั้นเกิดมากี่พกกี่ชาติก็ได้เพียงแค่นั้นได้อะไรเสียงเร า, าให้พวกเรามองตนเองให้ดีที่สุดเราจะทํำยังไงใจของเราจึงจะ เบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมานั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดนะปราเนนลูกลานทายญาติโยมน ะ, ะวันนี้หลวงพ่อพูดเพียงแค่นี้ก่อนเอาตอนรนับพอนนะปะน้าเน้นะ